เรื่อง Facebook นี่อิทธิพลสูงมากเลยไม่ได้ประกาศไม่ได้บอกเก่าวต่างคนก็ต่างดูเฟซโดยมากไม่แต่พวกหนุ่มๆพวกกำลังคร อ, อบครัวเบื้องต้นน่ะลูกเล็กๆทั้งทั้งผัวทั้งเมียมาไหว้พระตอนเย็นของวันอาทิตย์ที่สวนแสงธรรมคนมาหลายร้อยเลยพวก อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าอย่างนั้นบอโอ้คนมากจริงๆนะหลวงพ่อวันนี้ว่างั้นไม่คาดไม่คิดว่าคนจะมากขนาดนี้เราก็เลยถามเสียต้อมไปโทรศัพท์ไปบอกเขายัางไงไม่แล้วลงเฟ e b o ๊ k สุดแท้แต่ผู้ใดจะมาโอ้เฟซบ๊มีอิทธิพลขนาดนี้เท่ยไรเนี่ยว <laughs> คนเยอะหลวงพ่อก็พานำไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็กล่าวอะไรให้ฟังอย่างที่ลูกพ่อเคยกล่าวเคยพูดอจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับสามสีทุ่มแต่พอวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเคฉันเมื่อวานเนี่ยไปฉันที่จิตโพษนาบ้านคุณหลวงตอนนั้นขอคนก็มากอยู่แต่ก็ไม่มากเหมือนครั้งก่อนคราวก่อนเป็นวันอาทิตย์แต่คราวนี้เป็นวันจันทร์ คนที่มาวันจันทร์ก็ไม่มากโดยมากต่ผู้ปดระหว่างผู้สูงอายุที่ออกจากงานแต่ก็คนมีคนหนุ่มบ้างปะาปายไม่มากแต่กัคนก็พอสมควรแต่วันอังคารเนี่ยเพราะวันอังคารเนี่ยรู้สึกว่าคนเยอะมาที่สวนเจียงธรรมไม่เยอะถ้าพูดเปรียบเทียบกับวันเสาร์วันอาทิตย์เรไม่เยอะ แต่อาหารจัดอาหารน่อชั่วโมงกว่าอ <c oughs> อาหารน่ยจัดอาหารหน่อชั่วโมงกว่าโอ้โหลมพ่อก็เลยบอกกับพระดูดูแล้วคนก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ทําไมอาหารจึงมากขนาดนี้สงสัยเทวดาเอาอาหารมาเพิ่มหรือมั้ง <c oughs> <c oughs> ทงไทเวทวดาเอาอาหารมาเพิ่มหรืวมั้งดูดูมันจัดอาหารมีแต่อาหารโอ้โ อยู่กรุงเทพเนี่ยว่าจะัหลวงพ่อกับฉันอาหารเสร็จแล้วให้ศีลให้พรให้พรเสร็จแล้วนะกลับมามันเพราะฉันอาหาร อ, า ร, อร่อยเกินไปของใหม่รู้ละพอกลับมานี่แะคือตามปกตินะหลวงพ่อวันนี้ก็คงจะ อ, อ ก, อากจากหลงจะเครื่องก็คงจะไปกลับไปวัด แต่ว่าเมื่อวานพ่อลงจากเครื่องมาห้องรับรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็น่าห้องท่านได้มานัดพบกับหลวงพ่อเกี่ยวกับเจดีพิพิธภัณฑ์ขององหลงตานะ่ดหลวงพ่อก็เลยนั่งพูดคุยสนทนากันยาวพอสมควรจากนั้นหลวงพ่อก็เลยเออถ้าว่าวันพรุ่งนี้อย่างวันเนี้ย วันนี้จะมีการประชุมที่ศาลากลางจังหวัดชั้นสี่ผู้ที่เกี่ยวข้องคงจะเข้าไปประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนงานที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาก็ขอในมวนลหลวงพ่อร่วมประชุมด้วยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงถ้าจะเข้าไปวัดเข้าไปวัดป่านาคร้อยแล้วกลับออกมาวันนี้ก็ทั้งวันอีกเหมือนกันโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยวะ่ะ ก็เลยมาแวะพักกับท่านรัตนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยออกมาเมื่อวานเนี่ยมาถึงที่นี่เลยมาพักที่นี่คืนนี้นะประมาณสักบ่ายโมงหลวงพ่อก็คงจะไปไประชุมที่สลากลางเกี่ยวกับเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานะแต่เรหลวงพ่อเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่า ท่านจะประชุมในระดับยังไงเรื่องอะไรแต่หลวงพ่อเขคิดว่าคงจะเป็นการปูพื้นฐานสําหรับที่จะหารือกันทางจังหวัดเพราะว่าทั้งข้างบนเขาคงจะเป็นแปลนเขียนแปลนออกแบบแปลนแต่ข้างล่างเขาคงจะดําเนินการก่อสร้างก็คงจะหารือกันในในระดับจังหวัดนะเพราะเจตีของหลวงตาเป็น เป็นเจดีใหญ่ไม่ใช่ใหญ่นะไม่ใช่ใหญ่แบบของโลงปู่สีนะใครก็ว่าเล็ิอำนาจเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ ท, ที่จะจ้องการขอสร้างเนี่ยนะอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อได้มาแพะแวะพักวัดทีน่นี่แต่เมื่อคื น, นโชคไม่เข้าขั้นอีกเหมือนกันนะคณะทายาทโยมลูกหลานออพอมาพักขึ้นมา ประมาณสักห้าทุ่มออพอลุงพ่อเหนื่อยนะเลยก็ น, นอนพักผ่อนประมาณสักสี่ทุ่มสีทุ่มเลยพักพ่อถึงห้าทุ่มเลยท้องปั่นปวนขึ้นมาทีนี้โอ้ทำไมท้องเป็นอย่างนี้ท่านนะี่ข่าวที่ต้อง <c oughs> เล่นงานแน่ๆท้องอาหารเป็นพิษแล้วลักษณะอย่างนี้วะก็เลยลูกมาก็เลยมาทานพวกนะี้ยาปัทถวีที่ลุงพ่อเคยใช้นะอยาปถัถวีแล้วก็ยา จากนั้นก็แลยวฉันพวกยาหอมพอฉันเสร็จแล้วก็โอ้โอทีนี้มันเล่นงานนะออกไปห้องน้ํำเลยพอร่มทั้งร้อนทั้งอะไรด้วยมันปั่นป่วนนะแต่เหมือนจะอาจเจียนแต่ไม่อาจเจียนนะพอนั่นหลวงพ่อก็ทานแล้วก็คอยพักๆดูพอถึงตีสามมันยังไม่หายนะพอถึงตีสามโอ้ไม่ทาแล้ววะมันคงจะหนักหน้าไปเรื่อยนะ เอกก็เลยบอกไปหาไอ้โซเฟอร์ไอจ้จ้าวดไอ้บุดมึงบอกพระกูบามาหาหลวงพ่อหน่อยะวะเอาย า, าธาตุน้ำแดงย า, าธาตุน้ำขาวมาด้วยน ะ, ะเราเป็นท้องท้องท้องร่วงท้องทายนะเ้ยพระขึ้นออกมาให้ประมาณตีสามเมื่อคืนนีพอมาถึงหลวงพ่อก็เลยฉันยารู้สึกว่าดีขึ้นมาแต่ทำไมถึงยาเนี่ยหลวงพ่อกับบังเอิญอีกเหมือนกันนะ ตามปกติมีคุณหมอท่านหนึ่งพนเป็นผู้มีศรัทธาสูงมากจึงเอายามาให้คุณปอนะ่ยคุณปอยังเคยดูโอ้ยานี้เขาขายกล่องและเท่าไหร่นะตตามจริงมันไม่ใช่ขายกล่องนะใครๆ เ, เขาจัดย า, าจัดยาให้หลวงพ่อมิตรยาดีๆทั้งนั้นข่าวนี้หลวงพ่อก็เลยบอกเออกู้บาเวเอพวกท่านยาเอายาฝากไว้ที่หลังนะเอาถือขึ้นเครื่องไปด้วยนะวันนี้นะ เอาไปทั้งสองกล่องนั่นแหละกล่ อ, องมีหูหิว้วเอาขึ้นไปเครื่องบินเลยเาบางทีเราอาจาจะได้ใช้มันมาก็ได้ใช้จริงๆว่าไงนะเออพอตอนตีสามคุบาก็เลยเอายากล่องมาก็เลยดูดูว่าใช้ยาอะไรบ้างมันมีทั้งยาแก้อาเจียนมันมีทั้งย า, าแก่ท้องร่วงมีทั้งยา ระงับพายมีครบหมดทุกอย่างในยาเนี่ย น, นะมีแก้ปวดมีแก้อักเสบหลวงพ่อกเ็เลยเรื่องเิกฉันฉันเมื่อคืนนายันฉันยาตั้งรวมกันละหเม็ดพอด้วยไม่รู้ยาอะไรบ้างนะแต่ในเชงที่ว่าเนี่ย น, นะจะเป็น อ, อ, อย่างละเม็ดละเม็ดละเม็ดไข้ไข้หว่าส่งพระยาโอสถไปตีทหารพระยามัตุราชเหมือนั้นท่ะ ส่งพระส่งพญาโอสถพญาเพษัตว์เหมือนกันทหารพญาโอสถพญาเพษัตว์ไปตีทหารพญามัตุราชตอนรูกรู้เสียวเขาถอยเหมือนกันนะอถ้าเขาไม่ถอยหลวงพ่อคงจะไ ม, ม่ได้มาฉันอย่างหันละคงจะไ ม, ม่ได้มาพูดอย่างนี้แต่วันนี้แต่ว่ามีไหมมีอาการอยู่นะคล้ายๆกับมันปั่นป่วนหยุหยัดหยุดห ย, ยัดอยู่อฉันอะไรวันนี้ต้องระวังระวังเหมือนกันนั่น่ะ แต่ลุงพ่อฉันอะไรแต่ลุงพ่อเรียว่าคงเป็นอาหารทะเลมากกว่าเพราะนานๆเราไปก็เลยไปฉันพวกอาหารทะเลแต่ก็ไม่ได้ฉันอะไรมากมายหรอกลุลงพ่อโดยพากฉันไม่นมากไปแต่ไปฉันพวกผลละมากรากไม้เสียมากกว่าแต่เมื่อวานน่ยคงจะเป็นสักชิ้นบางบางชิ้นน่ยมันอาจจะมีะเป็นพิษพอทานเข้าไปมันก็คงจะทํำพิษทําภัยขึ้นมา เ, เมื่อวานเนี่ย เนี่ยเเมื่อคืนเนี่ยก็โอ้ทรมานพอสมควรอยู่ทั้งปวดทั้งร้อนไข่ไขไข่เปลี่ยนท้องแหลวจะรู้ได้ละแต่อดอดเนื้อคําไม่ได้นะคระับทธายญาติโยมลูกหลานเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อณรงค์มาจากโครโรราโดมาเขาไปพาตัดอยู่ที่โรงพยาบาลรามาพาตัดตาท่านเป็นต้อต้อ เ, ออเนื้อ แล้วก็เป็นเป็นต้นเนื้อไปผ่าตัดแล้วก็เกี่ยวกับสมัยก่อนเนยเคยถูกตะปูอะไรกระเด็นเข้าตาด้วยมันก็เลยประเดังประดังพออายุแก่ขึ้นมาเลยก็มันก็ประเดังประดังเข้ามาท่านก็เลยไปผ่าตัดมันก่อนแต่เช้ามืดพ่อกลับมาเดนะินท่ามันปวดเลยเนี่ยผ่าตัดตามันปวดทโอ้ปวดปว ด, ปวด คุณชายปั๋มก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมเอม็นมนขะทายกอยู่สวนแสงธรรมบอกว่าหลวงปูโ ป, ปทำไมหลปู่จึงไม่แยกเวทนาออกจากแยกเวทนาออกจากกายแยกกายออกจากเวทนาแยกเวทนาออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาทำไมหลวงปู่ไม่ทำหลวงปู่ก็พูดไม่ออกเหมือกันหร <laughs> งพ่อว่านะน่ ถูกใครจึงจะรู้จากวันแยกตรงไหนว่านั้นเเพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียมตัวเอาไว้นะตอนนี้คุณชายปั๊มให้กับพูดอีกท่านก็นึกมีอารมณ์ขันว่านะผมสมัยก่อนผมก็ไปผ่าตัดไปผ่าตัดลิซิโดวงวนะพราะไปผ่าตัดลิซิโดงหมอทางศิริราชเขาก็ถามว่าคุณชายครูบาอาจารย์ท่านให้ภาวนาท่านให้พิจารณาอย่างไรผมก็บอกโอ้ย ครูบาอาจารย์เพราะว่าท่านถ้าทำจิตให้สงบเป็นพื้นฐานแล้วกว็กำหนดแยกแยกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายแยกเวทนาออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาไม่ให้มันรับรู้รับทราบเวทนาสัตวะเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราท่านก็สอนอย่างนี้แล้วครูบาอาจารย์หมอคนนั้นก็เลยอาจารย์หมอคนนั้นโอยเสียท่าไป้ารู้จักอย่างนี้ ผมจะไม่ฉีดยาชาให้ผมคงจะไม่ฉีดยาชาให้คุณชายผมจะพาตัดเลยเหมือนคุณชายโอ้ไม่ไม่ไมอันนี้เป็นคําพูดครูบาอาจารย์คำพูดครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้ผมก็เลยมาผมก็มาพูดให้คุณอาจารย์หมอฟังเวยเลยไม่ใช่ผมนะโอ้ทาไมถ้าผมเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ฉีดยาชาเนี่โอ้ผมทนไม่ไหวแน่แน่นล้ะ ถ้าขนะสีฉีดยาชาบล็อกหลังขณะนี้ผมก็ยังรู้สึกพอสมควรอยู่เงี้ยนี่แหละอันนี้ให้ฟังฟังเอาไว้นะคณะสัตย์ทายาทโยมลูกหลานนะให้ภาวนาสรุปแล้วก็คือให้ภาวนาร่างกายสังขาร น, นี่ถึงอย่างไรมันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่มันแยกๆๆแยกยากเหลือเกินเพราะใจของเราเนี่ยเข้าไปแบกเต็มที่เลแบกร่างกายนะถึงจะบอกว่า ร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรากายใส่ศักว่ากายเวทนาศักก็เวท น, นาจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตมันคนละส่วนกันเพียงแต่จิตของเราไปรับรู้รับทราบไปแบกมันมันก็เลยหนักอะไรเจ็บปวดแต่ตามไม่จริงถ้าถ้าคนตายละ่ะถ้าคนตายละ่ะพ่อตายไปแล้วเอามีดฟันเอาไฟเผาร่างกายนั่นก็เฉยพรอย อ, อะไรเพราะใจไม่ได้อยู่ในร่างกายนี่แหละ พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ า, าใจของเราเนี่ยไปแบกภาระเข้าไปแบกไปแบกร่างกายอาพอร่างกายเป็นอะไรหน่อยเนึ่ยก็โ อ, โอ้เป็นทุกข์เป็นร้อนทุกข์ทุกข์กกระทมเพราะเหตุอะไรเพราะว่าใจของเราเข้าไปรับรู้รับทราบไปแบกร่างกายนั่นนะพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทนว่า ภาลาฮาเวปันจับขันทานีขันทั้งห้าเป็นภาระหนักขันทั้งห้าก็คืออะไรก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายอันนีะคือขันห้าเป็นภาระหนักคือใจของเราเนี่ยเข้าไปแบกไปรับรู้รับทราบอย่างเมื่อคืนหลวงพ่อก็เห็นถ้าช่าไปใกล้คุณชัยป๋มคุณชัยป๋ำพ้องอย่หลวงพ่อหลวงพ่อมีแต่สอนให้คนอื่นแยกกายออาจิต จ็กิตแจ็กจิ ต, กตออกจากกายตลวงพ่อลองลองแยกเราสิคงจะว่าอย่างนั้นนะ <laughs> โอ้มันทรมานจริงๆนะเมื่อคืนเนี่ยนะเรารู้สึกว่ามันร้อนโอบเอา้ามันมันหาความสุขมันหานด้นนใบได้ในร่างกายนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่นานไว้ร่างกายเนี่ยมันเป็นกองเพลิงเป็นกองเพลิงทั้งกองมันจะหาความสุขได้ที่ไหนเมื่อเวทนามันเกิดขึ้น ในจุดที่มันจะแยกย้ายเมื่อร่างกายจะแตกออกจากใจใจจะแตกออกจากร่างกายนะมันจะแยกออกจากกันข่าวนั้นแหะเป็นฐานที่มันจะทํำลายทําลายกันก่อนที่มันจะแยกจากกันเป็นเรื่องโทุกที่สุด เ, เพราะนั้นต้องเตรียมเอาไว้ต้องเตรียมเอาไว้ถึงจะ เ, เตรียมเอาไว้ที่ว่าเอาชนะมันไม่ได้ถึงขนาดดิทีเดียวก็ให้รับรู้เอาไว้ว่า กายกับใจนะมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวนะใจนะรับรู้ไว้นะอีกสักวันหนึ่งนะ เ, เวทนาตัวนี้มันจะเล่นงานขนาดหนักถ้ามันไม่เล่นงานขนาดหนักใจของเราก็คงจะร่างกายของเราก็คงจะไม่ตายสรุปแล้วคือมันเล่นงานขนาดหนักมันถึงแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะและว้วก็วันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วนะหลวงพ่อก็คงจะไป ไประชุมที่สลากลางจังหวัดไปฟังแนวนโยบายทางจังหวัดว่าจะดําเนินการอย่างไรกับพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาของพวกเราเนี่ยเพราะว่าเรื่องลุงเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็คงจะเป็นสงหาราศีของเมืองอุดรเพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงตาเนี่ยบ้านเมืองปันปวนไปไม่รอด ลงตาก็ได้ออกม า, านำทัพลูกหลานคณะสัตธาญาติโยมออกมาหาทองคําเข้าคลังหลวงได้ทองคําเข้าคลังหลวงตั้ง13ตัน13ตันนะพวกเราคิดดูสิว่ า, าบาท1นึกิโลนึงมันมีกี่บาท60กว่าบาทแล้วทีนี้มันตันนึงมันมีกี่กิโลนะ สามห0ื่นกว่ากิโลส0 0 0มกว่ากิโลกิโลหนึงมีกี่บาทคูณดูสิเีนี้เป็นเงินเท่าไหร่ที่หลว ง, งตาหามาให้แต่หลวงพ่อเมื่อไม่นานมาในทางแบงค์ชาติท่าน1ท่านเป็นกเกษียณแห ล, ละท่านเกษียณท่านก็นบอกโอ้แต่คนทางหลายก็ว่าเงินของทองของหลวงตาเนี่ยเข้ามาในคลังหลวงเนี่ยเขาก็ว่ามากแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าเอาบริหารจัดการกับประเทศชาติแนละ เราบริหารทุกวันนี้มันเป็นหลายแสนล้านออมันไม่ใช่เพียงแต่นะมนมาเป็นล้านล้านมันเป็นแสนแสนล้านออมันไม่ใชออ่ทองคำเพียงแค่ทด้ยิบจ่อยเท่านั้นเองค่ะหลวงพ่อได้ยินกับหลวงพ่อไม่ถึงกับควันออกอ ห, อหอูเรากวะเตียงหลวงพ่ออะคิดได้ยังไงหลวงพอว่อคุณในช่วงที่39 40ี่ในช่วงนั้นะ่ะ เงินคงคลังของประเทศประกาศกันทั่วบ้านทั่วเมืองหลวงพ่ออยู่ในป่านี่ก็รู้ว่าเงินคงค้างของประเทศน่ยมีอยู่สองหมื่นล้านใช่ไหมมาเออมีอยู่2อ0 0 0ืล้านใช่ไหมเงินคงค้างของประเทศในช่วงนั้นแต่บัดนี้เงินเอาทองคําเข้าคขังหลวงตั้งสามสี่หมืนล้านยังน้อยอยู่เหรอยังน้อยอยู่เหรอเออน้อยกว่านั้นใช่ไหมน้อยกว่าสอง0 0ื่นล้านใช่ไหมหลวงพ่อก็ว่าัไงเนี่ย คือจะพูดอะไรมันต้องคิดต้องอ่านใช่ในขณะที่เราล่ํารวย เ, เงินบาทเงิน10เนะี่ยมันก็ไม่มีความหมายสำหรับเราใช่ไหมใ อ, อย่างที่เรามีเงินหมื่นล้านแสนล้านเนะี่ยเงิน10นี้อยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันไม่มีความหมายแต่ถ้าเมื่อเราจนเมื่ อ, อไหรนะ่เงิน10 บ, บาทนะโอ้เงิน10 บ, บาทเนะี่ซื้อก๋วยเตี๋ยวอิม่มงอย่างน้อยก็พอประทังท้องไว้ได้อยู่นะนี่ เ, เงิน10 บ, บาทเนะีนะ่ย น่นแหละเงินส0บาทก็มีคุณค่าในขณะที่เรายากจนเราเราเรามื่อเราจนแต่เมื่อเรารวยแล้วเนะ่เงินเพียงแค่นี้นะมันจิ๊บจ้อยอแต่ว่าถึงยังไงก็ตามอย่าไปประมาทยอย่าไปมองข้ามเออใช่ในสมัยนั้นนะที่ลงตาหาทองคำเข้าคลังหลวงนะเงินอยู่ในคลังของเราเนะ่เพียงหมื่นสองหมล้านเท่านนเองนะเอลงตาหาทองคำเข้าไป ถ้าคิดเป็นเงินออกมาแล้วทั้งสา0 0ี่หล้านอ่ะอันนี้ก็คือหลวงตามีพุกคนอุปการกับประเทศชาติบ้านเมืองหลวงตามองไกลเพราะนั้นจะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับองค์หลวงตาแล้วพวกเราครจะช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อเชิดชูบูชาพระคุณหลวงตานะ เ, นเมื่อท่านทําคุณให้กับเราแล้วบุพภการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อน พวกเราควรจะแสดงความกระตันยูกระตวเวที่ตากับองค์หลวงตาทํายังไงเมื่อจึงจ ะ, ะเป็นการเชิดชูบูชาพระคุณหลวงตานีอันนี้ก็ช่วยช่วยกันคิดน ะ, ะไม่ใช่ว่าอพอจะสร้างเจดีย์หลวงตาเท่าไหร่เจดีย์หลวงตาเนี่ยงบเท่าไหร่เออถ้าเจดีย์ของเท่านั้นล้านพิพิธภัณฑ์เท่านั้นล้านรวมกันแล้วก่อนทั้งหมดก็ประมาณงบประมาณสักพันล้าน อ้ยทำอะไรมากมายเสียเงินงบประมาณฮนไะอถ้าคนคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้มีไหมหลวงพ่อได้ยินนะหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อเอ้อคิดได้ยังไงหลวงตาหาทองคําเข้าคลังหลวงให้พวกเราธนาบัตรของเราเงินของเรามีคุณค่าขึ้นมานี้ที่มีคุณค่าขึ้นมาได้เนี่ยเพราะหลวงตาเป็นผู้พานําหาเงินหาทองคําเข้าคลังหลวงแต่เมื่อหลวงตาจุตินิพพานไปแล้ว่ะ พวกเราจะหาร่วมรวบรวมกันเพื่อลูกเพื่อล้านจะสร้างเจดีเพืพ่อผลิตภัณฑ์ของหลวงตาเพียงพันล้านเนี่ยมากอย่างนั้นใช่ไหมมากอย่างนั้นใช่ไหมถ้ามากก็แสดงว่าผู้ที่พูดน่ยไม่คิดเห็นแก่ตัวอย่างมากหลวงตาให้มาเป็นหมื่นหมื่นล้านตัอเองถวายท่านสร้างบูชาพระคุณท่านหมื่นล้านมันมากนั่นแหะ จะว่าเห็นแก่ตัวถ้าไม่ว่าเห็นแก่ตัวเ้าจะว่าอย่างไรงถ้าไม่ถ้าเห็นแก่ส่วนรวมแล้วก็เราก็ต้องคิดอย่างนั้นอนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณนะสาตย์ทายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเรื่องเจดีของลงตานเป็นเรื่องที่ใหญ่สําหรับจิตญาณศิษย์ทั้งหลายเอาตอนนี้ไปแล้พรในตอนนี้นะ